ทำงานอะไรล่ะอ๋ออันนี้ออกมาแล้วอะค่ะไม่มีอะไรทาหางานต้องหางานทำทงานบ้านก็อย่างดีก็เวลาทำงานก็พยายามดูจิตอยู่อะค่ะให้รู้ไปเรื่อยๆนะรงกายเคลื่อนไหวคอรู้สึกจิตเคลื่อนไหวคอรู้สึกเนี่ยตอนนี้จิตไหลแวบๆสามครั้งต่อกันสี่ครั้งละรู้สึกไหมค่ะจะให้รู้ทันรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆ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 มันช่วงก็ไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ะจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าอย่างบางทีดูความฟุ้งดูไปเรื่อยๆพอสักพักป๊บมันก็เหมือนเงียบส ง, งัดไปหมดเลยนะครับเป็นเป็นช่วงแต่แป๊บเดียวเอง <c oughs> ครับแล้วก็เออก็เห็น ท, ทั้งเท่านี้มีทั้ง อ, อะไรความอะไรแบบโทสะก็มีเห็นชัดๆบางทีกำมันนึกเลยทำไม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 อันนี้อันนี้เดี๋ยวฝากถามไว้ก่อนครับคือเมื่อเช้าหลวงพ่อทิ้งท้ายว่าให้เตือนเรื่องเทศค้างไว้เว้ยค้างแล้วค้างเลย <laughs> ทิ้งมันไปนเลยของเก่าเอาทำไมครับก็เช้าวันนี้จิตมันกระจัดกระจายล <c oughs> อ, อยทุบป่องบป่องมันลุกโป่องอะไรเงี้ยครับ <c oughs> ออรแล้วถูก <c oughs> ครับแล้วก็มีเผลอไม่ชอบแล้วก็เกิดโทสะไปยุ่งกับมันเป็นพักๆครับจริงๆแล้วสมาธะก็สําคัญนะ พวกเราหลายคนยังเข้าใจผิดว่าหลวงพ่อไม่ให้ทําสมถะพระอะไรไม่สอนให้ทําสมถะพระพุทธเจ้าสอนนี่ท่านบอกว่าธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะและวิปัสสนาต้องเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งเพราะงั้นตอนนี้ถ้าใจมันกระจิดกระจาย่าไปอัดอย่างนั้นอัดอย่างนั้นไม่ใช่ปัญญาละรู้สึกไหมกําลังอัดตัวเองอุตรุดเลยครับเลิกซะส่งไม้ไปก่อน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 ยอมให้หลวงพ่อไปนั่งหน้าระเบียงท่านท่านเปิดประตูมาถือว่าไม่ได้รับแขกไม่ได้ให้เข้าห้องแล้วท่านก็ไม่ได้ออกมาจากห้องแล้วท่านก็เทศให้ฟังก็เอ้ยก็ไก่เขาไข่อยู่ในเล้าโทรฟังแล้วปวดหัวใจเมืตายแล้วศาสนาพุทธถ้าจะแย่แล้วถ้าใครเข้ามาได้ยินแล้วแย่แน่ตรวจไปเลยได้หลงท้ายท่านตอบท้ายประโยคเดียวนะหงายท้องเลยแอปตกระเบียงท่านเลยท่านคิด คิดดีก็ใจเย็นคิดไม่เป็นจะเย็นสบายไอเราในะคิดไม่ดีนะคิดกลุ่มใจเป็นห่วงศาสนาว่าพระเทศก็เอ๋ยก็ไก่ <c oughs> โอ้สอนธรรมะเราท่าใจนี่เย็นโอ้เยอกเลยเ <c oughs> ก่งนะาวงนี้เก่งไปเจอท่านน่ะสนุกฝุดสุดเลยมันมากแต่เล่าไม่ได้แล้วไม่ใช่กละวัสน์ออเอกลักษณ์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 ไม่ออกเหมือนกันนะคะความู้กว่ามันเหมือนอิสระจะร้องให้ใชนน่อหมก็ร้องไปทำเยน็นนิดหน่อยค่ะเออนะเดีด๋ยวเขาจะหาว่าเดี๋ยวเขาว่าดีใจได้มรดกเต้างทรงตอบไปมันต้องอย่างนี้สิภาวานาแล้วใจยังกระเพื่มขึ้นกระเพื่มลงไม่เอาไหนดอกช่วงนี้เริ่มเห็นกิเลสในชีวิตประจําวันได้มากขึ้นค่ะที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 าอาจจะเป็นทางกายมันมันกดนดันกายกายมันก็กดนะใจมันก็กดครับออกไหมตรงนี้ก็เป็นครับทางกายนะใช้ใจของเราสบายๆแผ่ใส่มันไปครับให้มันคลายออกเดี๋ยวทางใจอย่าไปกดมันกดมันแล้วไม่มีคุณภาพครับไม่มีแรงครับเนี๋ยมีแต่ความทุกข์แล้วเห็นอะไรอยู่กับตัวเองเห็นอะไรก็เลยสังเกต